ทุกุร บ, บันดิตกล่าวว่านั่นเสียงฝีเท้าใครหนอเสียงฝีเท้ามนุษย์เดินเป็นแน่เสียงฝีเท้าสามะบุตรเราไม่ดังท่านผู้นี้ระทุกข์ท่านเป็นใครหนอสามะบุตรเราเดินเบาวางเท้าเบาเสียงฝีเท้าสามะบุตรเราไม่ดังท่านเป็นใครหนอพระราชาตรัสว่า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 พระองค์เสด็จมาดีแล้วอนหนึ่งพระองค์เสด็จมาดีมิใช่เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้มีอิสระเสด็จมาถึงแล้วขอจงตรัสบอกสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ถ้าแต่มหาบอพิษเชิญเสวยผลมาพลับผลมาหาดผลมาสางังและผลหมากเมาอันเป็นผลไม้เล็กน้อยขอได้โปรดเลือกเสวยผลที่ดีๆเถิด ข้าแต่มหาบาพิษถ้าทรงพระประสงค์ขอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นนำมาแต่ซอกเขาพระราชาตรัสว่าท่านทั้งสองจักสุบอดไม่สามารถจะเห็นอะไรอะไรในป่าใครเล่าหนอนำผลไม้มาเพื่อท่านทั้งสองความสะสมผลไม้น้อยใหญ่ไว้โดยเรียบร้อยนี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าว่า ดูเหมือนคนตาดีสะสมไว้ทุกกุลบันดิตุนว่าสามะหนุ่มน้อยรูปร่างสันทัดมีกัลยาณธรรมเกษาของเธอยาวดำเฟยลงไปปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเธอนั่นแหละนำผลไม้มาถือหม้อน้ำจากที่นี่ไปสู่แม่น้ำนำน้ำมาเห็นจะกลับมาใกล้แล้ว พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามะกุมารผู้ปฏบิบัติบำรุงท่านเสียแล้วผู้เป็นเจ้ากล่าวถึงสามะกุมารผู้งดงามน่าดูใดเกษาของสามะกุมาร น, นั้นยาวดำเฟยลงไปปลายงอนช้อนขึ้นเบื้องบนสามะกุมาร น, นั้นข้าพเจ้าฆ่าเสียแล้วนอนอยู่ที่หาศายเปรอะเปื้อนด้วยโลหิต นางปาริกาดาบสินีกล่าวว่าข้าแต่ทุกุลบัณฑิตท่านพูดกับใครซึ่งบอกว่าข้าพระเจ้าข้าสามะกุมารเสียแล้วใจของดิฉันย่อมวันไหวเพราะได้ยินว่าสามะกุมารถูกฆ่าเสียแล้วกิ่งอ่อนของต้นโพอลมพัดให้วันไหวฉันใดใจของดิฉันย่อมวันไหวเพราะได้ยินว่า สามะกุมารถูกฆ่าเสียแล้วฉันนั้นทุกุลบัณฑิตกล่าวว่าแน่นางปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ทรงยิงสามะกุมารด้วยลูกศรที่มิคะสัมมาตาณทีด้วยความโกรธเราทั้งสองอย่าปรารถนาบาปต่อพระองค์เลยนางปาริกาดาเบสินีกล่าวว่า บุตรที่รักอันหาได้ด้วยยากผู้ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาบอดในป่าจะไม่ยังจิตให้โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้นได้อย่างไรทุกุลบัณฑิตกล่าวว่าบุตรที่รักอันหาได้ด้วยยาก import. ผู้ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาบอดในป่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเส ร, ริญ บ, บุคคลผู้ไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้น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 ข้าพเจ้าจาักแสวงหาเนื้ออันเป็นเดนของหมูมรึกและแสวงหามูละพลาผลในป่าทำการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่ดาบททั้งสองทูลว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษสภาพนั่นไม่สมควรการทรงทำอย่างนั้นไม่ควรในอาตมภาพทั้งสองพระองค์เป็นพระราชาของอาตมภาพทั้งสอง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 ข้าแต่พระเจ้ากาสีอาตมาทั้งสองขอนนบ้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ยังชาวกาสีให้เจริญอาตมาทั้งสองขอโนบโนมแด่พระองค์อาตมาทั้งสองประคองอัญชลีแด่พระองค์ขอพระองค์โปรดพาอาตมาทั้งสองไปให้ถึงสามะกุมารอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสอง และดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ถึงกาลกิริยาพระราชาตรัสว่าสามกุมารถูกฆ่านอนอยู่ที่ป่าใดดุดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินแล้วเกลือกเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นเป็นป่าใหญ่เกลื่อนกลนด้วยสัตว์ร้ายปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ ผู้เป็นเจ้าทั้งสองจงอยู่ในอาสมนี้แหละดาบ ท, ทั้งสองทูลว่าถ้าในป่านั้นมีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอัตมภาพทั้งสองก็ไม่มีความกลัวในสัตว์ร้ายทั้งหลายในป่าไหนนเลย